สรุปเป็นภาพรวมให้เห็นไตรสิกขาและการทำงานของไตรสิกขาก็จะเห็นเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนครับแล้วก็ผูกโยงไปจนถึงธรรมจักรกับปวัตนสูต ร, รซึ่งเป็นพระสูตรที่ชัดเจนเหลือเกินที่ให้ความสำคัญกับอริยมรรคมีองแปดอ่ะทีนี้ทุกท่านดูบนจอแล้วก็สวดตามบนจอนะครับเราจะสวดกันไประจบองค์หนึ่งก็จะพูดองค์หนึ่ง อายะเมวะอริโยะตังกิโกมะโคห oh นทางนี้แหละเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปดเลยาที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะความดริชอสัมมาวาจางการสู้ชอสัมมากรรมตนการทำความชอบสัมมาอาชีวอนการเลี้ยงชีวิตชอสัมมาวายามุความภาคบิณฑช ธรรมชาติความระลึกย่อธรรมสมาธิความตั้งใจมันยอตาธรรมชาติสเวทธรรมทิฏฐิดูป้อนสิ้นสุดทั้งหลายพวเห็นย่อเป็นอย่างไรเล่ายังพวกพิเวษสุขเกียานัง ดูปอนพิสูจทั้งหายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์ทุกการสมุทเยญานานเป็นความรู้ในเหตุใหเกิดทุกข์ทุกการนิโรธเยญยนางเป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์ทุกการนิโรธคามิมิยาปฏิปทาเยญานาง เป็นความรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดักแห่งโลกอายังวัจจีพิกเวสัมมาทิฏฐิูก่อนที่สุรทั้งลายอันนี้เรากล่าว่าความเห็นชอบมาลองดูความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิมรรคองค์ที่หนึ่งความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่า ความเห็นชอบแปลให้เราเข้าใจมากกว่านี้ก็คือความเห็นนั้นถูกต้องถูกตรงนะครับคำว่าชอบก็คือความถูกต้องความถูกตรงความเห็นหรือทิฏฐิที่ถูกตรงทิฏฐิแบบไหนเป็นทิฏฐิที่ถูกตรงนะครับเป็นอย่างไรความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกในเหตุให้เกิดทุกความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุก อย่างที่ผมบอกตั้งแต่วันแรกเรานึกว่าเรารู้ทุกข์แต่ไม่ใช่เราเป็นทุกข์เราไม่ได้รู้ทุกข์ไม่ว่าจะจร ะ, ะเข้งับไม่งับเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าทุกข์เกิดแต่เราไม่รู้นะครับจนกระทั่งถึงต่อหน้าต่อตาเลยก็คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แต่พวกเรากลับอยู่กับความเกิดโดยเห็นความเกิดเป็นธรรมดา ความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาตราบใดก็ตามใครเห็นสิ่งใดๆเป็นธรรมดาคนจะไม่คิดจะออกจากสิ่งนั้นผมถึงบอกว่าเราโชคดีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาท่านจึงหาทางจนพ้นออกไปได้นะครับพวกเราจึงมีเส้นทางที่จะเดินตามถ้าท่านเห็นเหมือนเราไปโรงพยาบาลไหน ๆ, ๆก็เห็นก็เป็นธรรมดา แล้วใครจะดิ้นล้นล่ะถ้ามันเป็นธรรมดาทั้งๆที่มันทุกข์อยู่ต่อหน้าต่อตาหลายคนบอกโอ้มันก็เป็นธรรมดาผมถึงยกตัวอย่างว่าถ้าคนที่ท่านรักตายตอนนี้เลยละ่ะท่านจะเห็นเป็นธรรมดาไหมท่านก็เห็นมันเป็นทุกข์อยู่ดีถ้าตัวท่านเองละ่ะท่านก็ทุกข์อยู่ดีแล้วทําไมตอนนี้เพราะว่าอาวิชามันบังไว้ไงมันถึงเห็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องสุขได้ สิ่งที่ท่านติดเอาไว้ทั้งหมดเนกแรที่ว่ากามคุณทั้งหลายเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยทำไมวันนี้ถึงเห็นสุขละ่ะถ้าสุขจริงทำไมผู้เจ้าให้เนกขมมละล่ะมันต้องเปิดใจกว้างๆพอเปิดใจกว้างๆแล้วจะเห็นความจริงเราเห็นไม่ตรงสุขแบบไหนอย่าเสพติดสุขแบบไหนถ้าบอกว่ายาบ้ายามา้าอยาอีแล้วเห็นคนเสพท่านจะเห็นว่าโอ้พวกนิมัหาเรื่องใส่ตัวจริงๆ ถ้าพระอรหันต์เห็นท่านใช้พวกก ร, รมกุณทั้งหลายท่านก็อืมพวกนี้ทํายังไงถึงจะพากออกมาได้ทําไมก็ถึงไม่รู้ตัวเลยว่าเขาใช้เสพความทุกข์อยู่เหมือนกันครับเหมือนกันภาพเดียวกันแต่พอเราเป็นผู้ใช้เรามองไม่เห็นจนกว่าเราจะต้องมีสติถอยหลังกลับออกมาแล้วมองย้อนกลับมาทีเราถึงเห็นว่าโอ้เวลาลูกๆของท่านเล่นเกมห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงข้าวปลาไม่กิน ท่านปลื้มไปกับลูกเหมือนกับลูกปลื้มในเกมไหมล่ะทําไมท่านไม่เห็นเหมือนลูกล่ะเพราะท่านถอยหลังออกมาท่านจึงเห็นว่าลูกกาลังเข้าไปเสพติดแล้วแล้วมันจะเป็นทุกข์ในอนาคตแต่ตอนที่ท่านใช้กระเป๋าใช้ข้าวของใช้อะไรแล้วทําไมท่านไม่เห็นพระอรหันต์ก็เห็นเหมือนท่านเห็นลูกเล่นเกมนั่นแหละมันก็เป็นชั้นๆกันอยู่อย่างนี้แหละแต่วันไหนที่เราก็ตามที่เรามีปัญญามีความตั้งมั่นของจิตเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราใช้อยู่มันโอ้โหมันน่ากลัวนะเนี่ย เมื่อเราเห็นแล้วเราจะทำยังไงเหมือนกับวันนี้เราไม่รู้ว่าอะไรสิงโตน่ากลัวยังไงงูจงอางน่ากลัวยังไงเราเล่นเราอยู่กับงูจงอางเราเล่นอยู่กับเสือมันยังไม่ตะปบเราก็นึกว่ามันมันก็แค่แมวแค่อะไรเหมือนอย่างนั้นอนะ่ะก็เลยใช้ด้วยความประมาทวันไหนมาศึกษาดูจริงๆจะเห็นความจริงว่าโอ้โหทั้งเสือทั้งสิงโตนี่มันน่ากลัวนะ แต่คราวนี้ออกจากนี้เนี่ยมาศึกษาโอ้โหเสือสิงโตน่ากลัวนะพวกกาลมาคุณเนี่ยกลับไปละครั้งนี้เนี่ยท่านจะอยู่กับมันอย่างระมัด ร, ระวังและเสือสิงโตจะทําอะไรท่านยากแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนท่านเดินเข้าไปนั่งกอดกับมันโดยไม่รู้ว่ามันมันร้ายแรงหรือมันรุนแรงขนาดไหนแต่ครั้งนี้พอรู้ทุกคนเรามันจะยั้งมันจะมีสติยั้งจะใช้ก็ใช้เท่าที่จําเป็นต้องใช้ใช้ก็ไม่ถล่มใช้ อย่างนี้มันเริ่มเกิดปัญญาขึ้นมานะครับทีนี้ถ้ามันไม่รู้อะไรเลยมันก็ใช้แบบเหมือนกากาเหล็กร้อนเน่ยก็กำก็ไปทั้งมือเลยแต่ทีนี้พอมันรู้ว่าร้อนมันก็แตะแตะถ้ายังจะใช้ต้องใช้ก็ใช้แบบเอาว่าแตะเท่าที่จำเป็นมือก็ไม่พองมากเท่าไหร่แต่ก็ต้องระวังใช้อย่างนี้ใช้แบบมีอริยสัจอยู่ในใจรู้ว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดทุกนี่คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดทุกูอกก้อย่างนี้คือมั่ รู้อย่างนี้คือสัมมาทิฏฐิพอนึกภาพออกเลยนะครับเมื่อก่อนนึกภาพไม่ออกสัมมาทิฏฐิคืออะไรแล้วผู้ใดหละที่เห็นทุกรู้ทุกรู้สมุทยัยรู้นิโรดรู้ม ก, ก็คือผู้ง่ายๆสรุปง่ายๆคือรู้แจ้งอริยสัจสี่ใครเป็นผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่ก็พระรหันพระนาคามีพระสกทาคามีแล้วก็พระโสดาบันโสดาบันก็รู้น้อยหน่อย ภระสกทาคามีก็แจ้งขึ้นมาเยอมากกันหน่อยแล้วก็แจ้งขึ้นมาจนกระแจ้งถึงที่สุดเพราะฉะนั้นระดับกาลรรยะาณชนก็รู้อยู่นะครับกําลังดําเนินตามทางอยู่ว่ากันไปนี่คือสัมมาทิฏฐิแต่ทีนพอสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นก่อนที่จะถึงสัมมาทิฏฐิที่จะไปรู้อริยสัจก็จําเป็นที่จะต้องรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล อย่างที่เล่าเรื่องให้ฟังว่าคนใส่บาตรแต่ใจเป็นอกุศลโกรธแค้นโมโหหงุดหงิดตลอดเวลา ท, ทั้งทั้งที่กําลังใส่บาตรอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลพอวันนี้มาศึกษาเริ่มมีตาในเริ่มเห็นแล้วกําลังจะทํากุศลก็อใจเป็นอกุศลแล้วก็เริ่มปรับใหม่ทําบุญก็ดีใจก็เป็นกุศลก็ยิ่งดีก็เพิ่มพลังมันเข้าไปนเี่ยเป็นสัมาธิถี่ในเบื้องต้น พอเริ่มใจเป็นกุศลก็เริ่มเห็นว่าทำกุศลให้ผลเป็นกุศลทำอกุศลให้ผลเป็นอกุศลมันก็จะกระทบต่อไปให้เห็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเมื่อเห็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเกิดการกระทบก็จะเริ่มยอมรับในสิ่งที่เกิดเป็นภพชาติเพราะมันไม่ได้มีอะไรมันก็กระทบกันลงมาเป็นเหตุเป็นกฎของธรรมชาติเท่านั้นเองก็เข้าใจเรื่องของภพชาติ เพราะสิ่งนี Mercedes ้เป็นปัจจัยสิ S <S ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันก็เห็นอย่างเนี้ยเริ่มเข้าสู่สมาธิฏิในเบื้องต้นก็สนับสนุนต่อไปจริงๆสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยไม่ใช่เบื้องต้นแล้วไปไกลแต่ว่าเริ่มเห็นกฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาติในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่สมาธิฏิที่จะเป็นสมาธิฏิแท้ๆเมื่อการเจริญมากเอาแล้วนะครับนี่คือสมาธิฏิสังเกตดูไหมครับว่าคอ ตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยถ้าจะถามว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สอะไรเนี่ยนคอร์สนี้เป็นคอร์สสัมมาทิฏฐิกระบวนการทั้งหมดที่ถูกจัดเรียงแล้วก็ออกแบบเอาไว้ทั้งหมดนะครับคือถ้าเป็นศัพท์ของนักวิชาการเขาก็เรียกว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดในคอร์สนี้เป็นการสร้างสัมมาทิฏฐิทั้งหมดล้อมกรอบเอาไว้ทั้งหมด ให้ทุกคนยอมรับแล้วก็เดินทางเลยทั้งกระบวนการทั้งหมดที่ถูกออกแบบมาเนี่ยท่านจะรู้สึกเองเลยว่ามันดิ้นไม่ออกเลยมันยอมรับไม่ว่าจะจิตอกุศล อ, ก, อกุศลอกุศลพพชาติจะถูกตีล้อมมาตั้งแต่ท่านจะถูกตีล้อมมาจนหลังชน้าเลยแต่ความจริงมันคือความจริงมันเป็นสัจธรรมหลังจากนั้นคอสนี้จะแปลกกว่าทุกคอสคือ จะมีคนดูแลท่านน้อยมากเพราะท่านดูแลตัวเองเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วท่านจะดูแลตัวเองเพราะทุกคนเดินสแสวงหาผนทางการพ้นทุกข์ไม่มีใครจําเป็นต้องมาคุมใครมันเกิดปลุกข้างในขึ้นมาท่านต้องการจะเดินทางเพราะเห็นโทษภัยแล้วเราไม่ได้มันเน้นว่าต้องทำตรงนั้นต้องทาทตรงนี้แต่พอเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วท่านสามารถปรับเส้นทางได้เอง วันนี้พะท่านรู้รการเจริญมรรคทั้งหมดคืออะไรทำงานยังไงแบบไหนหลังจากนี้ท่านจะเลือกวิธีที่จะเหมาะกับตัวเองได้บางคนก็มีมรรคองค์นั้นองนี้มาบริบูรณ์อยู่แล้วบางองคก์ก็บางคนก็ควรจะเติมตรงนี้ท่านจะรู้เองไม่ต้องให้ใครมาบอกมาชี้อย่างที่ผมบอกแม้แต่แค่ยกตัวอย่างตัวอย่างเดียวท่านอาจจะมีแค่ตัวอย่างเดียวนะครับอย่างปาสารีบุตรอย่างนี้อันอื่นท่านก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก แต่ว่ามันแค่จี้ขึ้นมาส ก, กิดเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องของภาษารีบุตรก็เลยนํามาชี้ว่ายิ่งในยุคนี้แล้วด้วยนะอัครสาวกก็ไม่อยู่แล้วไม่มีใครอยู่พระสรัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่อยู่ก็เหลือแต่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือทีนี้คําสอนในเรื่องของมรรคมีองค์แปดเนี่ยจําเป็นต้องรู้เพื่อเรามาปรับใช้หลังจากนั้นก็อาศัยคําครูบาอาจารย์เข้ามาประกอบเ น, เนื่องจากว่าท่า น, นผู้เลิศคุณทุกองแล้ผมดูผมอ่านผมได้พบ ได้เข้าไปกราบได้เข้าไปสนทนานผู้เลิศคุณทั้งนั้นปัญหาคือท่านสั่งสมบารมีมาแบบเดียวกันกับครูบาอาจารย์หรือเปล่าแต่ละองค์อินทรีย์แก่กล้าทั้งนั้นของเรานี่นั่งครึ่งชั่วโมงก็ขาจะหักแล้วท่านพูดถึงธรรมะชั้นสุดทั้งนั้นแต่เรื่องละอกุศลเจริญกุศลแทบไม่ได้พูดเลยทั้งๆ ท, ท, ที่คนเมืองตอนนี้มีแต่อกุศลแต่ไม่ได้ละเลย ศีลพวกเราไม่มีใครสนใจเลยเออสมาทานศีลห้าถือศีลห้าในคอสออกไปไม่มีใครสนใจเลยเพราะฉะนั้นฐานของเราเนี่ยย่อบยักไปหมดเลยแต่เราไปเอาธรรมะชั้นสุดยอดที่สติปัฏฐานสี่ที่สัมมาสติในขั้นจตุทชานอย่างเงี้ยพูดกันที่การจัดการกับอวิชชายอย่างเงี้ยโอ้โห สติยังไม่ทันผัด ส, สะเลยวันนี้นะครับตัณหานี่วิ่งเข้าวิ่งออกเป็นว่าเล่นเลยหัวใจเนี่ยยังไม่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไปอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าวันนี้เราจำเป็นต้องกลับมาผมเคยเรียนครูบาอาจารย์หลายท่านพูดกันตรงๆเลยบอกว่าคำสอนของท่านเนี่ยขอโทษเลยนะท่านประมาณลูกศิษย์สูงเกินไปผมพูดตรงไปตรงมาท่านประเมินลูกศิษย์สูงเกินไปละคาที่ท่านสอน ศีลยังถือกันไม่ได้เลยยังไม่รู้จักเลยอากุศลไม่เคยลักกุศลไม่เคยเจริญนั่งค่ำควนนั่งอินทรีก็อ่อนเข้ามาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติก็บน่นพาไปเดินป่าก็งงเงงงงงงเนี่ยห้องน้ำไม่เห็นดีเลยห้องของน้ำดีก็อยู่บ้านเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันยบับยับยับ ย, บยบไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องค่อยๆเริ่มปูตั้งแต่สัมมาทิฏฐิขึ้นมาก่อน นจนกระทั่งเขาถึงวันหนึ่งบอกเขารู้แล้วว่าสิ่งนี้ทําไปเพื่ออะไรไม่ใช่หลงทำไม่ใช่หลงอุบายไม่ั้องกลายเป็นหลงอุบายกันหมดเลยตอนนี้ไปเห็นว่าการทําอย่างนั้นอย่างนี้คือการปฏิบัติธรรมการทําอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการบรรลุธรรมบรรลุธรรมต้องทําแบบนี้หลงอุบายกันหมดเลยที่นี่เอาละนะครับทนะีนี้เรามาเพื่อให้เห็นสัมมาทิฏฐิเดี๋ยวพอครบทั้งแปดองค์ ปะมวนให้เห็นภาพทั้งหมดผมว่าท่านเข้าใจโครงสร้างละของการปฏิบัติจนกระทัง่งเข้าถึงปลายทางกตาตโมจะพิเขเวสัมมาสังกปรุูสุอนิสู่ทั้งหายความดำรีชอบเป็นอย่างไรเล่าในธรร ม, มสังกปพกุงความดำรีในการออกจากกรรม อาปยาปาทาสังกปรความดำริในการไม่หงุดหงิดอาวิงตาสังกปรความดำริในการไม่เบียดเบียนอายามุจติพิกเวสัมมาสังกปรดูกรที่สู่ทั้งร้ายอันนี้เรากล่าวว่าความดําริชอบ ความดําริชอบความดําริอันถูกต้องเมื่อคิดถูกเห็นถูกก็จะเริ่มดําริถูกคนเราเมื่อเห็นถูกว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะเริ่มรู้แล้วว่าควรจะทํำยังไงจะดําริในการใช้ชีวิตยังไงพอรู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์โอ้ยการมาคุณทั้งหลายนี่เป็นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเนี่ยมีหน้าฉันมานั่งเท่าไหร่สามวันแรกมันไม่สงบเลย ใจมันเร่าร้อนเกิดแต่นิวร์เพราะโดนไอการมาคุณเนี่ยตุ้นกระตุ้นไม่หยุดเพราะการที่ไปยึดติดเสพติดถ้าดูไม่ออกให้ไปดูคนติดยาครับวันที่เขาไม่ได้ยาเสพติดเนี่ยคนติดบุหรี่ก็ได้อะไม่ต้องมากคนติดบุหรี่มากๆวันไหนที่ไม่ได้บุหรี่ก็จะเกิดไอที่เขาเรียกเสี่ยนยาลงแดงเลยเนี่ยนะครับใจจะร้อนไหมละ่ะร้อนมันถูกกระตุ้นขึ้นมาเพราะมันอยากยาทีนี้คนที่ไปติด คนติดเพลงคนติดละครคนติดหนังคนติดอะไรต่ออะไรเียก็ที่บ้านอะไรก็ติดเพราะติตไปอยู่ตรงไหนมันก็ติดอยู่กับอะไรนานๆมันก็ติดถ้าใช้ไม่ระวงังไม่รู้จักใช้ไม่รู้ว่าของร้อนมันก็กํำก็ไปเต็มรักเลยพอติดมันก็เล่าร้อนสิมันก็เต้นพอเต้นจะเอาที่ไหนสงบล่ะเพราเดี๋ยวพอถึงสามมาสา ม, มาที่ท่านจะเห็นข้อนึงว่าสงัดแล้วจากกามทั้งหลายไม่งั้นไม่เข้าถึงปฐมฌานแค่ขั้นต้นๆปฐมฌานเนี่ย ยังต้องสงัดแล้วจากการมทั้งหลายสงัดแล้วจากธรรมันเป็นอกุศลเจอข้อแรกกรมทั้งหลายที่เราไปยึดเข้าไปมากๆจนเป็นสารณะเนี่ยเรียบร้อยเลยแล้วจอาที่ไหนสงบเพราะว่าปฐมฌานต้องสงัดจากกรารมแล้วถ้าติดกรรมจะเอาที่ไหนพระเจ้าถึงให้นี่พอรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ข้อสองจุดหนึ่งเริ่มต้นโดนเลยให้เนคขมมะออกจากกรรมซะ ถ้าดูจากภิกษุในธรรมวินัยของผู้เจ้าเนี่ยโดนหมดเลยนะครับโดนริดหมดเลยกามเข้าไม่ถึงตัวเลยแต่แน่นอนที่สุดถ้าก่อนบวชเคยติดเอาไว้ก็ดิ้นล่ะก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นธรรมะข่มใจขันติก็ต้องอดทนเอาจนกว่ามันจะอ่อนแรงลงไปนะครับบางองค์ไม่ไหวก็สึกออกไปบางองค์ไม่ไหวก็แพ้ภัยออกไป หรือไม่ก็แอบใช้อาทินี้ผิดศีลเลยซวยเลยนะครับเป็นคารวาดผิดศีลก็แค่ศีลห้าแต่ถ้าเป็นพระก็หนักหน่อยนะครับหนักหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้พระจึงได้เปรียบกว่าเพราะว่าได้เผากิเลสอย่างตรงไปตรงมาแล้วไม่ต้องมีเข้ามายุง่งเหมือนกับผมที่ยกตัวอย่างว่าคนจะเลิกยาแต่อยู่ในกวนคนสูบยาเนี่ยไม่หมัวที่จะเลิกยาแต่ถ้าพลากมันออกมาซะเลย ออกมาเลิกคนเดียว เ, ยเดี๋ยวมันก็เลิกได้นะครับจิตใจเข้มแข็งก็เลิกได้แต่คนที่เพื่อนกระโดดอยู่นั่นน่ะดูดอยู่นั่นน่ะไอเราก็จะเลิกจะเลิกนอะ่ะสักทีมันก็เลยเลิกยากแต่ก็เลิกได้ไม่ใช่เลิกไม่ได้วันหนึ่งก็จะเป็นใบบัวนะน้ําคลำ้ำลน้ําคลนมันก็กลิ้งไปกลิ้งมาแต่มัไม่ติดแต่วันนี้เราเป็นกระดาษที่ชู่มันซับหมดนะ ทีนี้พอรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็รู้แล้วว่าการมุ่งร้ายการเบียดเบียนเนี่ยสร้างความทุกข์แน่ก็เริ่มดำรินในการที่จะไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนใครเห็นไหมครับจะกระทบกันไปกระทบกันไปเมื่อเกิดสัมมาทิฐิแล้วเนี่ยผู้เชาตรัสเลยบัคทั้งแปดองค์จะครบหมดขอให้เกิดสัมมาทิฐิกันละกันแต่ถ้าไปทําจุดอื่นเนี่ยแล้วไปหลงที่แต่ละจุดสัมมาทิฐิอาจจะไม่เกิด แต่ถ้าเริ่มต้นที่สัมมาทิฐิเป็นเรือทงเดี๋ยวมาหมดมักมาครบหมดจามาจาพิกาเวสัมมาวาจาจูก่อนพิกสุทั้งหายการพูดจะชอบเป็นอย่างไรเล่าโมสาวาทาเวรัมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริง ปิสุนายวาจายเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดต่อเสียนอารุสัยยาวาจายเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดหยาธรรมปาลาปาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพลเย่ อายาุจิติคเวสัมมาวาจาทุกอ่อนปิสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการพูดจะชอบสัมมาวาจาการพูดจะชอบเข้ามาสู่ในหมวดไตรสิกขาที่สองคือศีล น, นะครับศีลสิกขาละมีเรื่องน่าสนใจอยู่บางประเด็นถ้าเราดูสัมมาวาจาใครๆก็บอกโอ้ยรู้รู้ศีลข้อนี้แหมท่องมาตั้งแต่ เด็กๆจะเย็นจะเย็นเริ่มต้นดูจากคำแรกคือเจตนาเป็นเครื่องเวน้นเราจะไม่ยังไม่อธิบายล่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงในมัชองที่สี่ทีเดียวเลยเพราะว่าองที่สี่ก็เดี๋ยวเจออีกทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงม้สาวาทาเว ร, รมณีที่เราสวดสวดกันในสิ่งห้าเนี่ยเราก็จะนึกไปถึงขั้นไม่ในข้อที่ไม่พูดคา หรือว่าไม่พูดโกหกอะ่ะพูดง่ายๆนะแต่ตรงนี้เราเห็นข้อย่อยเยอะเหมือนกันไม่พูดเท็จก็คือไม่พูดพูดไม่จริงพูดส่อเสียดคําว่าพูดส่อเสียดเนี่ยพอแปลบาลีออกมาเนี่ยถ้าเราให้แปลเองจากคาว่าส่อเสียดผมเชื่อว่าคนร้อยละแปดสิบจะแปลว่าพูดเสียดสีกระทบกระเทียบเสียดสีไม่ใช่นะครับไม่ใช่ความหมายของคํานี้นะความหมายของคํานี้คือ การพูดให้คนแตกกันคำว่าพูดสอเสียบเนี่ยแปลว่าพูดและทำให้คนแตกกันพูดหยาบอันนี้เราก็รู้ลหละมันไม่ดีแหละแต่เวลาไปบรรยายในคอสเด็กหน่อยเขาบอกว่าพวกหนูก็พูดมึงกูกันเป็นปกติอ่ะอาจานมันจะบาปไหมล่ะก็เอาเถอะถ้ามันเป็นศัพท์บรรยาิที่มันไม่ได้สื่อว่า เป็นคำดา่าแต่ลองไปพูดของคนอื่นดูเขาจะรู้สึกว่ามันมันด่าเขาอะนะอันนั้นแนหะคงคงขึ้นอยู่กับคำหยาบแล้วแหละแต่ถ้ามันเรียกกันแทนชื่อกันไปเลยเนี่ยมันก็นะเด็กเด็กกูมึงๆึงก็แบบมันแทนแทนผมชั้นไปเลยแนหะมันก็คงไม่ได้ไปสกิดใจใครขึ้นมาให้เป็นคําหยาบอะไรแต่ถ้าเปลี่ยนไปพูดกับคนอื่นปั๊บมันจะกลายเป็นคำหยาบทันทีมันอยู่ที่การให้ค่า บัญญัติแบบเดียวกันเนี่ยแต่มันอยู่ที่การให้ค่าตีค่าของแต่ละคนท่านเมื่อไหร่มันเกิดการตีค่าเป็นคาหยาบชี้หน้าเขแล้วด่ามึงเนี่ยไอ น, นี้เป็นคำหยาบแน่แต่ถ้าเรียกกันอยู่ในหมู่เพื่อนคำว่ามึงก็อาจจะไม่ใช่คำอะไรแทนคำว่าเธอเลยพูดเพิรเจอร์อันนี้คงไม่อธิบายแล้วลนะ่ะให้ท่านอธิบายให้ผมฟังดีกว่า กาตะโมจะพิกเวสัมมากัมมนโตรูก่อนที่สู่าัางารการทำกางงานชอบเป็นอย่งางไรเลา่าปานาิปาัาเาวรมณนีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอาทนาตานาเวรมณนี เกินาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วปาเมสุมิาจาราเวร ม, มณีเกินาเป็นเครื่องเว้นจากการกล่าพื้นผิดในการทั้งหลายอายังหุจติภิกเวสัมมากรมมนโตรูก่อนภิกษุกทั้งหลาย อานที่เรากล่าวว่าการทําการงานชอบบักองค์ที่สนีะ่แล้วแป๊บเดียวนะครับมาครึ่งทางแนละ้วสัมมารกรรมันโตการทําการงานชอบถ้าแปลอย่างภาษาที่พวกเราจะเข้าใจได้เลยเรานึกว่าการทํางานนะเนี่ยนึกว่าอาชีพซะอีกแต่ที่แท้ไม่ใช่อาชีพไปอยู่ในอาชีโวแต่ว่านิกรรมันโตการทําการงานเนี่ยผมคิดว่าถ้า ถ้ามาจากรากศัพท์จริงๆอาจจะเป็นเรื่องของการกระทํามากกว่าพอมันแปลเป็นไทยมันกลายเป็นการทํางานการกระทําการกระทําแบบไหนที่จะเป็นสัมมาก็คือแบบที่ไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปเบียดเบียนอะไรเงี้ยมันจะแปล ก, กันรู้เรื่องแต่พอมันแปลเป็นไทยแล้วมันอาจจะสับสนไปนิดนึงแต่ช่างเถอะไม่เป็นไรเป็นเรื่องของคําเรื่องของบัญญัติสื่อได้กระจบแล้วนะครับมาดูกันว่า ถ้าเราดูเผินๆก็ไม่ได้ต่างจากศีลข้อที่หนึ่งสองสามที่พวกเราใช้กันอยู่ที่จะสมาทานกันอยู่นะข้อมาสักครู่ก็เป็นศีลข้อที่สี่อาจจะมีดีเทลมากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในในข้อของศีลมรรคองค์ที่สีก็ยังอยู่ในข้อของศีลเพราะว่าอะไรก็ศีล น, นี่แหละที่จะทําให้มีความทุกข์ลดลงศีลข้อสักครู่ดูแลวาจาศีลข้อนี้ดูแลกาย เห็นไหมครับในมรรคเนี่ยค่อยๆจัดการทุกระบบนะครับเริ่มตั้งแต่ปัญญาแล้วก็มาถึงการดรําริว่าจะทําอะไรต่อไปแล้วค่อยๆเข้าไปล็อกเป็นจุดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดไม่ให้อคุสลหรือบาปเข้ามาปนได้เลยเมื่อเกิดความเห็นที่ถูกต้องก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่จะพาให้เป็นทุกข์บ้างพวกกามทั้งหลายพวกมุ่งร้ายเบียดเบียนจึงออกมาตรงเนี้ย ถึงสู่แง่ของการปฏิบัติเมื่อกี้เป็นระดับนโยบายนะครับสัมมาสังกรปรเนี่ยเป็นระดับนโยบายว่าจะ ต, ต้องทํำยังไงถึงจะไม่เดือดร้อนถึงจะไม่ทุกข์ตรงนี้ลงมาในระดับการปฏิบัติแล้วตอนนี้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติก็คือ1ต้องล็อกวาจาไว้อย่าให้พลาดอย่าให้ไปทํามิจฉาเดี๋ยวเดือดร้อนสองก็คือการกระทําทั้งหมดจะต้องให้เป็นสัมมา ทุกจุดนะครับมักมีองศาเนี่ยนี่คือระดับต้องบอกว่าสุดยอดคำพีที่แบบแก้ปัญหาทุกจุดเดี๋ยวท่านจะเห็นต่อไปอีกว่าล็อกทุกจุดเลยกับอคสนี่สุดท้ายมันจะวนกลับไปที่สมาทิฐิคือจัดการกับกิเลสเบ็ดเสร็จเด็ดขาดปั้งตายเลยทำไมจะไม่เปลี่ยนล่ะนี่คนธรรมดาเริ่มโดนล็อกทุกจุดตั้งแต่วาจาตั้งแต่กาย แล้วเดี๋ยวค่อยๆลามเข้าไปในระดับจิตผมถึงบอกว่ามีศาสนาไหนเหรอที่มีคําสอนที่เกินจากรกายกับวาจาไม่มีมีคําสอนเดียวในพุทธศาสนาที่เขาบอกว่าเป็นศาสนาเอกของโลกอ่ะเดี๋ยวตั้งแต่ออกมครคองค์ที่หกเจ็ดแปดจะเห็นถึงความเป็นเอกของโลกไม่มีศาสนาไหนล้วงเข้าไปจนถึงจิตล้วงเข้าไปจัด ก, การกับตันหาอุปาทานทั้งหมดแล้ววนกลับไปที่สัมมาทิฏฐิเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมา นี่แหะครับขั้นสุดยอดอยู่ที่นี่ท่านถึงให้ความสำคัญกับมักๆากมักมากมา ก, มาก <c oughs> เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วแต่ข้อที่สองเนี่ยมีข้อที่เราน่าจะดูในรายละเอียดนิดนึงเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ทำท่าจะละเอียดกว่าขโมยฮงท่านไปบ้านเพื่อนที่รักกันสนิทกันเห็นขนมวางบนโต๊ะก็ถือวิสาสะละกินเลยก็เพื่อนซี้กันโต้งก็นั้งแต่เด็กขอกันกินมากกว่านี้กินเสร็จก็ไม่ได้ขอไม่ได้อะไรหรอกเพื่อนเขาลูกก็เดินเข้ามาอ่ะเพื่อนก็บอกว่าแม่ซื้อขนมมาฝากลูกอยู่บนโต๊ะเอาเลยลูกก็ไม่มีสักชิ้นเลยเพราะนาฟาจะเรียบเลย นาใจไม่ดีแล้วตายแล้วฉันกินของหลานซะแล้วนะอย่างเนี้ยเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างเนี้ยก็ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปใครมาช่วยงานที่บ้านนะหรือว่าตามไปตามศูนย์ปฏิบัติเนี่ยก็มักจะก็จะมีการพูดโปรยโปร ย, ยกันไว้ก่อนเลยทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะเ อ, อของในห้องน้ําใช้ได้หมดเลยแต่ยาวกับบ้านนะคือใช้ได้ทุกอย่างเลย หยิบกินได้เลยในตู้โยงตู้เย็นเนะี่ยต้องคืออย่างใครไปที่บ้านก็บอกไปเลยนะหยิบกินได้ทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่างเลยตามสบายนะหมดเรื่องกันไปเจนะ้าของไม่ได้ให้ก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจะเจาะจงลงไปที่พระภิกษุด้วยจากการที่ต้องรับประเคตต้องรับประเคตเพราะมันมีต้นบรรญัติอยู่ตอนที่ภิกษุกลุ่มหนึ่งจาริกไป เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ระหว่างทางก็ไม่มีใครบินทบาตไม่มีใครใส่บาศก็จึงเด็ดผลไม้ตามทางแล้วก็ฉันไปสุดท้ายโดนเลยเจ้าของสวนก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าสาวกของท่านขโมยผลไม้จากต้นไม้ในสวนของเขาพระเจ้าก็เลยต้องบัญญัติว่าหลังจากนี้ภิกษุจะฉันจะขบฉันอะไรเนี่ยจะต้องรับประเขียนยกเป็นน้ํา จึงเป็นที่มาเนี่ยเป็นต้นบัญญัติแต่สําหรับคารวาสเราก็อย่างที่ผมบอกเนะี่ยจะให้ละเอียดขึ้นก็ถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าไปเอาอย่าไปกินอย่าไปหยิบจะขอ ย, ยืมอย่างลบใครโต๊ะข้างๆเขาบอกก็หน่อยประพฤติผิดในกามนี่ก็เอาละนะครับข้ามไปได้เลยรู้ๆกันอยู่ว่ามันผิดข้อห้ า, า, อ, า, า, าอาว ดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายการเลี้ยงชีวิตชอเป็นอย่างไรเลา่าชีตาบิตเวอาดิยาสาวะโกดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายสาวกของพระอาดิยเจ้าในธรรมวินัยนี้เีญาอาจีวังสาหย я, ตาปรากาศเลี้ยงชีวิตที่สิเสีย สัมมาอาชีวะนาชีวิกังกัปเปติยอมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที tomorrow, ่ยอดอายามุจจะติปิกเวสัมมาอาชิวะดูก่อนสูจน์ทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการเลี turkey, ้ยงชีวิตยอดการเลี้ยงชีวิตอ่ะเมื่อกี้ผมข้ามเรื่องเจตนาเป็นเครื่องเป็น เอาข้อนี้ให้จบไปเลยข้อนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเมื่อมีการดำริที่ถูกต้องการใช้ชีวิตที่ไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนเมื่อมาถึงวาจาก็ไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนเมื่อมาถึงเรื่องของกายก็ไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนทีนี้มาถึงการใช้ชีวิตในองค์รวมในภาพรวมของการใช้ชีวิตในการไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนแล้วก็เนคข ม, ม่า อ, อจาจ ก, กรรมอาชีพที่เป็นสัมมาท่สุด ต้องยอมรับความจริงว่าคือภิกษุในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าอริยมรรคมีองค์แปดคือหนทางที่เข้าสู่มรรคผลนิพพานที่ตรงที่สุดสั้นที่สุดรัดที่สุดนี่คือทางสายกลางถ้าจะพูดถึงทางที่รัดเร็วสั้นที่สุดภิกษุเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เร็วที่สุดเพราะว่าปราศจากกามแล้วก็เนคขมมะออกจากกามโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยธรรมวินยัยด้วยปาติโมก แต่ว่าพวกเราคราวาดยังชุ่มอยู่ด้กามทีนี้มันจึงยากกว่าละ่ะเมื่อถึงวันนี้จึงต้องบริหารภายใต้ข้อจำกัดมากๆเพราะว่าทั้งสังโยชน์เครื่องร้อยรัดก็ตึงเต็มไปหมดนะครับความชุ่มอยู่ด้กามก็มากการที่จะสลัดอะไรก็เป็นเรื่องยากอะไรก็ยังต้องยังต้องยังต้องไปหมดเลย เพราะฉะนั้นถึงตรงนี้เนี่ยต้องใช้ระดับจิตที่สูงมากเพื่อจะให้เหมือนใบบัวที่อยู่กับน้ําโคลนน้าตมแต่ไม่ติดมันใช้มันอย่างรู้ว่ามันร้ายกาจยังไงเมื่อก่อนเข้ากรงเสือเล่นกับเสืออย่างสนิทสนมเดี๋ยวนี้จะเข้ากลงเสือรู้แล้วว่าเสือน่ากลัวยังไงเผลอเป็นเสร็จมันก็จะต้องออกไปครั้งนี้ก็ต้องรู้ว่าจะกลับไปใช้มันยังไงต้องใช้อย่างมีปัญญา มีให้ใช้ก็ใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยมีให้ใช้ก็ใช้นะครับใช้มันเร็วขึ้นก็ใช้ถ้าใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ใช้ใช้แล้วเกิดประโยชน์ก็ใช้อะไรที่เกินจากสิ่งที่เกิดประโยชน์ที่จะใช้ก็ไม่ต้องไปใช้มันพอละสนุกสนานเพลิดเพลินเกมไม่ต้องมีเอาเท่าที่จะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักที่จะใช้ไม่มีปัญหาไม่ว่าอะไรใช้อย่างระมัดระวังทีนี้กลับมานิดหนึ่งนะครับกลับมาเรื่องเจตนาเป็นเครื่องเว้น ยกตัวอย่างข้อเดียวก็เข้าใจความจริงมันยกตัวอย่างอยู่ในหนังสือกลัวเกิดอยู่แล้วแต่ก็พูดซ้ำเพื่อให้เวลาไปอ่านมั น, มนง่ายอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมสมมุติว่าเป็นคนขี้ขโมยนิสัยเป็นคนขี้ขโมยแบบเป็นนิสัยเลยคือเอาเป็นว่าต้องเอาง่ายๆว่าจะให้เข้าใจก็ต้องให้แบบแย่สุดๆเลยคือขโมยดักขโมยแบบไม่รู้สึกผิด คนอย่างนี้ผมตั้งชื่อไว้ใหม่เพื่อให้เข้าใจเข้าตรงกันง่ายๆคือว่าคนประเภทนี้เลวอย่างเป็นเนื้อแท้นะครับคำว่าเลวอย่างเป็นเนื้อแท้นี่แปลว่าขโมยแบบไม่มีเสียงสะ ก, กิดนั่นข้างในเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องผิดอย่างเนี้ยเรียกเลวอย่างเป็นเนื้อแท้เลยสมมติว่าคนคอร์รัปชันอย่างเงี้ย ใครถามเฮ้ยอย่างนี้คุณทําผิดนะผิดได้ยังไงเข้ามาให้พวกนี้ตามน้ําไม่ได้โกงโกงที่ไหนเราเข า, เามาให้ไอ้อย่างนี้ก็เรียกเลวอย่างเป็นเนื้อแท้คือถ้ามันรู้สึกสะกิดใจถึงว่าอืเราไม่ควรเอาแต่มันเอาอนะเอาสักหน่อยมันจําเป็นไอ้อย่างงี้ยังไม่ถึงกับเป็นเนื้อแท้มันเริ่มมีเสียงสกิดขึ้นข้างในแต่ถ้าเป็นเนื้อแท้เนี่ยไม่รู้สึกเลย ทำเลวทำชั่วแบบไม่ประดิษ์เลยคือไม่มีอะไรเตือนเลยมีคนถามผมจำไม่ได้ว่าคำถามนี้ถามพระนักเกษมถามพระนักเกษมใช่ว่าคนทำชั่ว ท, ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันชั่ว กับคนทำชั่วโดยไม่รู้ว่ามันชั่วเนี่ยใครชั่วกว่ากันหรือพูดภาษาให้มันเข้าใจง่ายหน่อยคือคนทำผิดทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่ามันผิดกับอีกคนนึงทำผิดเพราะไม่รู้ว่ามันผิดใครมันจะผิดมากกว่ากันท่านว่าใครผิดมากกว่ากันทำผิดโดยไม่รู้หรือทำผิดโดยทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ ทำผิดทั้งทงที่รู้ผิดมากกว่าทีนี้ถ้าเรากลับมาดูแบบเมื่อกี้เนี่ยท่านก็ตอบว่าคนที่ทำผิดโดยไม่รู้ว่ามันผิดเนี่ยคนคนนั้นน่จะทำผิดไปชั่วนินีิรันดอนแต่คนที่ทำผิดทั้งทั้งที่รู้ว่ามันผิดเนี่ยมันจะมีแรงเสียดทานขึ้นในใจซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่ามันผิดแต่ด้วยการ จำเป็นความจาเป็นอะไรบางอย่างมันอาจจะต้องทำลงไปแต่ถ้าวันไหนที่เ้าทนไม่ได้ที่ใจมันร้อนขึ้นมาเพราะการทำผิดเนี่ยจะมีวันหนึ่งที่เขาเลิกทำเลกทเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ขโมยขโมยของคนโดยไม่รู้สึกผิดเลยคนคนนั้นจะทำผิดไปชั่วนิดนิรันดร ถามว่าเขาไม่ทุกข์เหรอทุกข์แต่เขาไม่รู้เหมือนที่ผมบอกมันจุ่มอยู่ในน้ําร้อนจนชินนั่นลงไปก็ต้องตกอบายอยู่ดีตายไปก็ต้องตกอบายเพราะว่ามันชินอยู่กับความร้อนขนาดนั้นมันร้อนจนอุณหภูมิเปลี่ยนไปร้อนมากร้อนน้อยมันไม่รู้สึกแล้วเพราะมันร้อนมันอยู่ในที่ร้อนคนที่เขาทาผิดแล้วเขารู้ว่าผิดแสดงว่ามันร้อนบ้างเย็นบ้างมันถึงรู้ว่าไอ้ตรงนี้ร้อนแต่ถ้ามันร้อนโดยส่วนเดียวมันไม่รู้ล่ะ ผมถึงบอกนั่งสมาธิไว้เยอะๆนะนั่งไว้เยอะๆเพื่อให้มันจิตมันกลับขึ้นมาอยู่ที่เย็นบ้างพอร้อนมันจะได้ชักออกบ้างเพราะฉะนั้นมีแต่ได้ไม่มีเสียหรอกครับทำไปเถอะจิตจะได้เปลี่ยนทางบ้างเพราะไม่งั้นมันอันตรายถ้ามันแช่อยู่แบบมันไม่รู้เลยอะไรเย็นอะไรร้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอ้ามันก็ร้อนอย่างนี้กันอยู่ไม่ใช่เหรอทุกคนไม่ใช่คนอื่นเขาเย็นจิตมนุษย์เขาเย็นเขาไม่ได้ร้อน ไอ้ น, นี่มันแช่ร้อนร้อนร้อนจนไม่รู้ร้อนมากร้อนน้อยมันไม่รู้แล้ว <c oughs> มันนึกว่าร้อนอย่างเดียวโอเคนะครับค่อยๆดึงขึ้นมาทีนี้เราก็กลับมาเรื่องของเราล่ะทีนี้พอมันเกิดเจตนาเป็นเครื่องเว้นคนคนที่บอกว่าเลวอย่างเป็นเนื้อแท้เริ่มมาศึกษาทําเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มรู้แล้วว่าโอ้การเอาของคนอื่นนี่ทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนเป็นทุกข์นะเราไม่ควรทําเลยเพราะเมื่อก่อนมันเห็นแต่ฝั่งเรามันฝั่งเถอะของกูกูได้อ่ะ เขาบอเฮ้ยคนอื่นก็เดือดร้อนเดือดร้อนที่ไหนมันจะได้ซื้อใหม่มันก็ดีใจอมองไปอย่างนั้นอีกนคือคนมันจะเอาไว้อย่างน่ะมันก็คิดเข้าข้างตัวกูหมดอะพอตัวกูมันขึ้นก็มันก็ทําบาปทําชั่วทํามุกสนได้ทุกอย่างเพราะมันคิดเข้าข้างตัวกูถ้าท่านยอมรับความจริงว่าเมื่อก่อนท่านก็คิดเข้าข้างตัวเองหมดอ่ะไม่ว่าท่านจะถูกทําถูกทําผิดทําอะไรท่านก็คิดเข้าข้างหาเหตุผลมาสนับสนุนสิ่งที่ท่านทาตลอดเวลานั่นแหละ เหมือนอย่างที่บอกว่าพอคนอื่นเบียดเข้ามาก็คนอื่นเห็นกับตัวพอเราเบียดขึ้นมาคนอื่นไม่มีน้ําใจอย่างเงี้ยมันก็จะหาเหตุผลมาสนับสนุนความเป็นตัวกูอย่างเงี้ยแล้วตัวกูจะไม่แข็งแรงไงไหวอะอวิชาก็ได้อาหารตลอดเวลาสติก็เงียบเลยหดหัวเลยก็ไม่ฝึกไม่อะไรเขาเหมือนไม้ไทยสันต่อยกับเด็กป .3 อย่างเงี้ปยป .3 ใครจะอยากขึ้นเวทีอะ เพราะคุณให้กำลังใจแต่ฝั่งไม้ไทยสันอย่างเดียวเด็กป .3 มันก็ไม่อยากขึ้นเวทีแล้วขึ้นไปก็ถูกดา่าพอจะซื้อของซื้อของพอสติมาขวางหน่อยแกหลบไปเลยแกมาทีไรฉันไม่เคยได้ของอักสวยจะยับยั้งชั่งใจซะหน่อยแล้วก็ําใจกิเลสไปหมดชีวิตจึงอยู่กับกิเลสจนไม่รู้ว่าใครเป็นเพื่อนแท้ใครเป็นเพื่อนเว็วให้คะแนนให้อาหารเพื่อนเ็วตลอด ส่วนสติก็ไม่ได้งอหัวแล้วงานนี้แต่พอเข้ามาอยู่ตรงนี้สติเริ่มผงาดขึ้นมาเริ่มผงาดขึ้นมาท่านเริ่มเคยคุ้นกับเพื่อนที่ท่านทิ้งไปแบบไม่แยแสเลยเริ่มค่อยๆปลุกกลับขึ้นมาทีนี้พอเริ่มมีเจตนาเริ่มมีพอกําลังจะขโมยปับ๊บมันอมไม่เอาอย่าเอาของเขามันเกิดเจตนาเป็นเครื่องเว้นจําได้ไหมครับว่ายุงวิมาโทรศัพท์เกิดขึ้น พอมันกัดมาปบพัวแล้วบอกไม่เจตนาผมค่อยๆปูทางแล้วก็ชี้จนกระทั่งเห็นทุกคนว่าเจตนาเต็มๆถ้าเรากลับมาที่ศีลข้อที่หนึ่งที่บอกว่าปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเราเอาเจต เ, เอาเอาหัวข้อนี้มาดูพอกำลังจะตบมันมีเจตนาจะตบแน่ๆเพราะฉะนั้นการยั้งที่กายคือต้องใช้เจตนาสวนเจตนาเป็นเครื่องเว้น เพราะมันมีเจตนาจะฆ่าแล้วมันเลยต้องเอาเจตนาไปเป็นเครื่องเว้นพอกำลังจะตบใครเป็นคนสั่งให้ตบครับใจใจเป็นคนสั่งให้ตบเพราะเว้นที่เนี่ยมือดูเหมือนเว้นที่แขนแต่จริงจริงเว้นที่ไหนครับเว้นที่ใจแต่คนมองไม่เห็นพระเจ้าจะบอกว่าไปสารวมที่ใจเลยทีเดียวก็ไม่ได้เพราะคนไม่เห็นระดับของมรรคจึงค่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆ ขณะที่กำลังจะตบเจตนาที่ใจขณะที่เว้นก็เว้นเจตนาที่ใจเหมือนกันแต่ดูเหมือนเว้นที่มือเมื่อทํามากขึ้นมากขึ้นจะเห็นว่าจิตใจเริ่มแข็งแรงครับแข็งแกร่งขึ้นเองเห็นไหมครับศีลจะทําให้จิตเนี่ยแก้วกล้าอาจฐานแล้วก็เริ่มแข็งแรงขึ้นจากที่เมื่อก่อนตามใจกิเลสเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งกระพัวผ่าผัวผ่ า, าไปเรื่อยเนี่ยไม่มีผิดสักอย่างอะไม่มีผิดทําอะไรก็ไม่ผิดเพราะมัน ให้เหตุผลสนับสนุนตัวกูทุกอย่างวันนี้พออืไม่เอาอย่าไปทำเขาเลยก็แค่ปัดๆก็โอเคแล้วก็ไม่หมดเนี่ยอ๋อเ้าตบหมดโลกใช่ไหมตบไงก็ไม่หมดเหมือนกันแหละก็แบ่งกันบ้างไมได้นะสัตว์โลกไอเราก็เกิดมาก็ใช้ทรัพยากรบนโลกไปมากกว่าเพื่อนเลยนะจนวันนี้โลกจะเอาคืนอยู่แล้ว ก็ป้องกันอย่างที่ป้องกันได้นะครับก็ไม่ถึงกับจะต้องลงมือลงไม้กันมากก็ได้มุงลวดก็มีอยู่อะไรก็มีอยู่ก็ป้องกันกันอยู่นล้ทีนี้พอเริ่มเจตนาเป็นเครื่องเว้นมากๆมากๆท่านจะสังเกตเห็นเองว่าเจตนาที่จะทำลดลงเมื่อโดนเจตนาเป็นเครื่องเว้นมากๆเจตนาที่จะกระทำลดลงเหมือนคนขี้ขโมยแรกๆมือเอื้อมไปจะหยิบแล้วก็ต้องเว้นหลังๆเอื้อมไปได้ครึ่งทางแล้วเว้น หลังๆขยับแล้วก็เริ่มเว้นหลังๆพอบกำลังจะเห็นปับป๊บปั๊บมันเริ่มเขยา่าเริ่มเว้นมันเว้นจนกระทั่งวันหนึ่งหันไปเห็นคนที่ทำเงินหลน่นแล้ววิ่งเอาเงินไปคืนเขาเพื่อนที่รู้นิสยัยจึงถามว่าเอ้ยทาไมไม่เอาเลยเขาไม่รู้นะเงินที่หลน่นเอาไม่ใช่ของเรานี่เหรอทุกทีก็เห็นเอาทำไมเดี๋ยวนี้ถือสีน่ะ ก็ไม่ไม่ได้ถึงกระถือศีนอะไรแต่มันไม่ใช่ของเราของเขาก็เอาไปคืนเขาก็ทำหลดผมถามว่าเหตุการณ์ที่ผมเล่าเนี่ยเขามีเจตนาจะเอาไหมครับไม่มีเลยแล้วถ้าอย่างนี้ยังต้องมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นไหมไม่มีแสดงว่าคนเนี้ยอยู่พ้นขึ้นมาแล้ว ที่เราใช้คำว่าผู้มีศีลบริบูรณ์ค้นจากเจตนาเป็นเครื่องเว้นแล้วนะครับทำของผู้เจ้าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็ื่อทำไปแล้วทำไปแล้วมันจะหลุดแล้วก็ลอยไปจนหมดเจตนาหมดเจตนาแล้ว หลังจากนี้เขาไม่ต้องถือไม่ต้องประคองอีกเป็นศีลที่เป็นภัยจากตันหาไม่อยากจะถือไม่อยากจะประคองเป็นศีลที่ไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเคยได้ยินคำนี้ั้มแล้วท่านก็ไม่รู้ว่ามันแหมหมายความว่ายัางไงเป็นศีลที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญภาษาที่ผมพูดให้คนเข้าใจง่ายๆคือเป็นศีลประเภทเผลอยังไงก็ไม่ทาผิดทุกวันนี้ถ้าเราเผลอพวกเราทาผิด เราจึงต้องคอยมีสติแต่ศีลประเภทนี้ที่เรียกว่าอธิศีลเนี่ยเป็นศีลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นศีลที่ประกอบด้วยสมาธิทำไมจึงเป็นสมาธิเพราะจิตเริ่มตั้งมั่นเห็นไหมว่ามรมีองค์แปดเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันศีลก็ประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าไม่คิดจะพยาบาทเบียดเบียนใครจึงมีเครื่องกํากับสองทางไม่ใช่นั่งสมาทานเอาแต่ศีล แต่เห็นว่าประโยชน์ในการที่จะมีศีลเพราะว่าจะทําให้ไม่พยาบาศไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้ายต่อใครแล้วก็ทําให้เราชีวิตของเราพ้นทุกข์ขึ้นมาเป็นศีลที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วเดี๋ยวท่านจะไปดูหมวดของสมาธิศีลเหล่านี้ทําให้จิตตั้งมั่นขึ้นที่ผมบอกมันยัง้งมันยัง้งมันยัง้งมันยังนย้งก็ไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นจะเป็นศีลที่ประกอบด้วยสมาธิ มัดมีองค์แปดจะสอด ร, รับกันหมดนะครับเพราะว่าทั้งหมดไปรวมกันอยู่ที่นี่จะดึงออกดึงเข้ายืดออกยะหรือว่าหดเข้าเนี่ยมาจากที่นี่หมดแต่หัวใจในการแยกออกเพื่อให้คนได้เห็นในระหว่างเดินทางตอนแรกๆ แ, แต่สุดท้ายมันมารวมกันอยู่ที่จิตหมดมันจัด ก, การที่จิตทีเดียวเลยก็ได้แต่ว่าน้อยคนที่จะ มีกำลังพอความตั้งมั่นพอที่จะไปเห็นที่ตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องใช้กายหยับหยาบวาจาหยับหยา บ, ยาบเป็นเครื่องยัง้งแต่ก็ยั้งที่นี่เหมือนเดิมผมมักจะใช้คําว่าเหมือนตลับเม็ดน่ะตลับเม็ดจะยืดออกก็ได้จะหดเข้าก็ได้กลับมาที่ตลับเลยก็ได้สุดท้ายไม่ว่าจะไปเริ่มตรงไหนไปจับตรงไหนเนี่ยก็คือตลับเม็ดทั้งนั้ น, นก็กลับมาที่ตลับหดนะก็เหมือนตลับเม็ดอยู่เละถ้าเข้าใจแล้วก็จบ แต่ว่าเอาล่ะเราก็เดินไปตามเนี้ยเราจะเริ่มเห็นว่าโอ้ยแค่นี้ก็เห็นความสอดรับกันทั้งหมดของเชือกแล้ววันหนึ่งเมื่อทําได้อย่างเนี้ยควันของเชือกมันจะเกลียวจะแข็งแรงมากนะครับแล้วถึงวันนั้นก็ต้องเกิดอะไรขึ้ น, นแน่ๆอะเรามาถึงมรรคองค์ที่หกอันเดี๋ยวเดีเรามาดูภาพรวมก่อนดีกว่ามรรคองค์แปดเนี่ยพระเจ้าย่อลงมา เหลือไตรสิกขาก็คือสงเคราะห์อยู่ในหมวดของปัญญาศีลสมาธิแบบนี้ในหนังสือก็จะมีนะครับในหนังสือของกลัวเกิดจะมีหน้าห้าสิบหกหน้าห้าสิบสองนะครับในหมวดเราจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิที่เราพูดถึงรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือปัญญานั่นเองนะครับรู้ทางดับทุกข์รู้ผลท้ายถึงทางดับทุกข์เกิดเป็นปัญญาเมื่อเกิดเป็นปัญญารู้ว่าทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ ก็จะรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือกามทั้งหลายแล้วก็การมุ่งร้ายการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จึงเกิดเป็นการดำริถัดลงมาถ้าสัมมาทิฏฐิเป็นเหมือนจุดมุ่งหมายใหญ่การดำริชอบก็เป็นนโยบายที่จะลงไปสู่การปฏิบัติ หลังจากนั้นเริ่มแยกมาสู่การปฏิบัติแยกเป็นหมวดของวาจาวาจาจะไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้ายใครกายไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนใครการใช้ชีวิตคืออาชีพทั้งหมดในภาพรวมไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ปนอยู่ด้วยกามคำว่ากามไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวนะครับเวลาเราพูดถึงกามในทางโลกเรามักจะนึกถึงพวกกามที่เสพกามเป็นผู้หญิงผู้ชายกัน แต่ว่านี่รวมหมดนะครับอะไรก็ตามที่เป็นกามคุณทําทให้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเข้าไปเสพติดกันนุบนับนุบนับเนี่ยครับไอเนี่ยเป็นกามกามก็เกิดจากดําริขึ้นมานี่แหละให้มันเป็นกามของบางอย่างเป็นของเดียวกันที่คนธรรมดาใช้กับคนที่ติดกามใช้เนี่ยมันเป็นของอย่างเดียวกันแต่คนติดกามใช้เพราะว่ามันไปดําริขึ้นมาดําริขึ้นมาเป็นกามแล้วก็เข้าไปเสพติดโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เข้าไปใช้โดยการที่ไม่ยั้งเลยก็เข้าไปติด ทีนี้พอรู้ว่าระดับการใช้ชีวิตเป็นยังไงจะเห็นว่าหมวดที่เราพูดจบไปนี่คือศีลหลังจากนี้ถ้าผมบอกว่าคนต่อให้มีศีลห้าบริบูรณ์แค่ไหนก็ยังเป็นทุกข์ท่านก็สนับสนุนอยู่ด้วยเราก็เห็นเห็นกันอยู่นะ ค, ะคนต่อให้มีศีลมีธรรมมีศีลปฏิบัติมีศีลห้าบริบูรณ์แค่ไหนก็ยังทุกข์ คำนี้ต้องฟังดีๆนะครับผมนี่ต้องย้าหลายทีผมไม่ได้บอกว่าศีลไม่ดีนะผมบอกว่ามีให้บริบูรณ์ยังไงก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าในระดับจิตยังไม่ได้ชาระเพราะว่าในระดับของการทำให้เกิดทุกข์ก็คือ ต, ตันหายังไม่โดนแตะเลยทีนี้เราจะมาดูกันในระดับของจิตละเพื่อทําความเข้าใจก่อนที่เราจะผ่านไป ศีลจัดการกับกายกับวาจาจากนี้คำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นในจิตจะจัดการกับตัวจิตละมันจะเข้าไปจัดการกับตัวจิตละเมื่อจัดการกับตัวจิตจนเกิดเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นความจริงในระดับหนึ่งจากที่จิตตั้งมั่นแล้วมันจะตลบกลับเข้าไปสู่ปัญญาก็คือจัดการกับกิเลส กิเลสจะถูกซัดกันที่ตอนปัญญานี่แหละในส ม, มาทิฐินี่แหละกิเลสทั้งหลายจะสยบลงเพราะจากกําลังที่ป่าล้อมเมืองเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายกิเลสจะโดนตีไม่นับเลยโดนตีไม่ยั้งเลยจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ละเกิดสัมมาทิฐิอย่างแจม่มแจ้งเห็นความจริงหมดละเห็นความจริงหมดแล้ว เห็นความจริงจากความตั้งมั่นของจิตในมักคองที่หกเจ็ดแปดเนี่ยพันึกกำลังกันแล้วก็พั้วเห็นความจริงเกิดเป็นปัญญาละเกิดเป็นปัญญาเอาละนะครับอลองฟังตรงนี้ก่อนก็ได้ก่อนที่จะไปมัคองคแห่งความเป็นพระอเศคาและพระเสขะพระอเศคและพระเสขะคือ อย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าเสกขับุคคลคือผู้ที่ยังต้องศึกษาเรียนรู้ส่วนพระอเสขะมีอยู่อย่างเดียวก็คือพระอรหันต์นะครับผู้ที่จบพนระมจันทร์จบแล้วภิกษุทั้งหลายในบริการละแห่งอริยสัมมาสา ม, มาธินั้นสัมมาทิฐิย่อมเป็นองค์นำหน้าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฐิเป็นองค์นำหน้าอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายเมื pues ่อม pues ีส pues ัมมาทิฏฐ nah ิอยู sun. Sun ่สัมมาสังกัปปะย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาสังกัปปะอยู่สัมมาวาจาย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาวาจาอยู่สัมมากัมมันตะย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมากัมมันต์อยู่สัมมาอาชีว่าย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาอาชีวะอยู่สัมมาวายามะย่อมมีเพียงพอ เมื่อมีสัมมาวายามะอยู่สัมมาสติย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาสติอยู่สัมมาสมาธิย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาสมาธิอยู่สัมมายานาย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมายานาอยู่สัมมาวิมุตย์ย่อมมีเพียงพอภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุนี้และพิษุผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ทั้งแปดชื่อว่าพระเสขะ และภิกษุผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ทั้งสิบคือเพิ่มสัมมาญาณนะและสัมมาวิมุตติอีกสององค์ชื่อว่าเป็นพระอระหันต์พระอเซขแล้ฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามมักมีองค์แปดไปมีสัมมาทิฐิเป็นเรือธงสัมมาต่างๆที่พระเจ้าบอกเมื่อมีอย่างหนึ่งมีสั ม, มาทิฐิเพียงพอแล้วนะ่ที่เหลือจะกระทบชิ่งกันไปหมดเลย ทุกอย่างจะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพียงพอเพียงพอเพียงพอจนนับมีองค์แปดบริบูรณ์เข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ตรงนี้เนี่ยโสดาบันสิกิทาคามีพระนาคามีเนี่ยยังอยู่ในระหว่างที่เป็นเสฆบุคลทั้งนั้นเลยใช่มักมีองค์แปดทั้งหมดแต่พอถึงจุดสุดยอดที่เป็นสัมมาทิฏฐิของพระอรหันต์เนี่ยมันจะพ้นไปเลยจะเข้าสู่สัมมาญาณะ คือญาณทัศนะที่เป็นวิมุตติญาณทัศนะจะเกิดขึ้นที่พระราหันไม่ใช่สภาพรู้แบบที่เข้าใจแล้วแล้วก็ไปจบที่สัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นถ้าถึงตรงนี้ผมจะเล่าเรื่องเดิมให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมเล่าไปแล้วแต่ท่านอาจจะจับความไม่ติดถ้าถึงตรงนี้อาจจะจับความได้แล้ว ดูดีๆนะครับสมมติว่านี่เป็นโลกเมื่อก่อนผมบอกว่าคนเข้าใจว่าโลกไปดีแบนโลกไม่เคยแบนตามความเชื่อของใครก็เป็นอย่างนี้เราก็สามารถพูดได้ว่าคนที่บอกว่าโลกแบนเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิหลังจากนั้นก็เริ่มสังเกตโลกเริ่มเห็นโลกอย่างถูกต้องขึ้น รู้ว่าโลกนี้กลมฮะอุปมาอย่างเช่นแรกๆคิดว่ามันเป็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิวันนี้สังเกตไปสังเกตมาให้ไม่ใช่เราเนี่ยมันเป็นรูปนามเป็นขันห้าเกิดสัมมาทิฐิตู่ไหมครับถูกเริ่มละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนเกิดเป็นรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เราหรอกนี่เป็นขันห้า จากการเฝ้าสังเกตโลกเนี้เห็นว่ามันกลมใครเกิดสมาธิผู้รู้จิตเกิดสมาธิจิตจึงคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้จนกว่าโอ้โถเอ้ยตัวเองก็เหมือนกันนั่นแหละ เป็นธรรมชาติแล้วก็ปล่อยความยึดถือในจิตสลายคืนสู่ธรรมชาติไอ้นี่มันก็เป็นความันอยู่อย่างนี้แหละเมื่อหมดเหตุเกิดมันก็ดับไปจิตก็คืนสู่ธรรมชาติเข้าสู่ธรรมชาติเดิมแท้ตรงนี้ถึงจะเข้าสู่สัมมาญาณนะคือวิมุตติญาณทัศนนะ์ไม่มีสัมมาทิฐิที่นี่สลายผู้รู้ผู้เห็นผู้ที่เกิดปัญญา ถึงวันนั้นปัญญาสติทุกๆุกอย่างที่ฝึกมาต้องวางหมดจึงจะดับเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ที่ตรงนี้นะครับที่สองสัมัญทัดล่างนะจะเกิดที่พระอรหันต์เท่านั้นมักอีกสามองค์เราจะพูดกันช่วงบ่ายแล้วกันนะครับเราสวด ทาตัจชวยกัยาตาปัจจะยังว่ามานังาตัมาจมเวตังปิญญาที่นี่เป็นสักว่าาตามธรรมชาติเท่านั้นตามลงเป็นไปตามเหตุตามปัจใจอยู่เนือมิตรยาที่ตามปินตพาโรตตาตูปะคุณจะโกจะปู่โล สิ่งเหล่านี้คือบินทบาตและคนผู้บริโภคบินทบาตนั้นอาตุมาตะโกเป็นสักว่าตามธรรมชาตินิสตโตที่ได้เป็นสัตว์อันยังยืนนิจโวที่ได้เป็นจีว่อันเป็นบุรุษถูกคน รุนยความเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนตาโพปัญายังบินสปพาโยอาทิคุ ช, ชานิโยนพอบินสมาทังหมดนี้ไม่เป็นของง่าเกลียดมาแต่เดิมอิมังพูติกายังปัตวานัน การมาถูกเข้ากับกายอันเข้าอยู่เป็นนิสิแล้วอธิวิายานิพุญญาโยชายาติย่อกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน